บทที่ห้าสิบแปดผีการพนันคนทั้งสามพาท่านพลักครูกับนายสมชายเดินตัดท้องทุ่งอันเป็นทางลัดไปสู่บ้านของนางเช้าเพราะหากเดินไปตามถนนลูกรังจะต้องใช้เวลามากกว่าถึงสองเท่าขนาดเดินลัดเลาะไปตามคนา ท่านพระครูก็แผ่เมตตาให้สิงสาราสัตว์จำพวกงูเงี้ยวเคี้ยวขอเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเพื่อให้คขาฤๅษีทั้งสี่กับนักบวชอีกหนึ่งรูปที่กําลังเดินอยู่ภายใต้แสงสลัวของพระจันทร์ครึ่งดวงได้ปลอดภัยจากสัตว์เหล่านั้นด้วย เวลาผ่านไปประมาณ40สนาทีก็ถึงบ้านของนางเช้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงหลังคางงสังกระสีบนบ้านจุดตะเกียงเจ้าพยุสว่างสวยัยเสียงผู้หญิงด่าอย่างหยาบคายดังมาจากบนบ้านในสมชายได้ยินถึงกับขนลุกขนาดฟังนางสาวส้มปล่อยด่ามายกยก ก็ยังรู้สึกว่าเสียงดาที่กำลังได้ยินอยู่ขณะนี้หยาบคายกว่าหลายเท่าทั้งไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกนึกขำแต่ประการใดในบ่ายนำท่านพระครูไปนั่งข้างๆภรรยาผู้ซึ่งนอนหลับหูหลับตาดาอยู่บนเสื่อจันทบูนผืนใหม่มีหมอนสีขาวหนุนสีสษกลูกๆนั่งล้อมวงดูด้วยไม่อาจจะช่วยอะไรได้ และทุกครั้งที่มารดาเป็นเช่นนี้พวกเขาจะนั่งเฝ้าดูกระทั่งผีมันออกไปเองหากคราวนี้มันเข้านานกว่าทุกครั้งและไม่มีทีเท่าว่าจะออกไปง่ายๆวิดาจงชวนเพื่อนบ้านและพากันไปนิมนต์ท่านพระครูมาช่วยไล่ผีนี่หละครับหลวงพ่อผีเข้าทีไรมันด่าลูกด่าผัวไม่พักไม่รู้ผีหาผีเหวยที่ไหนมาเข้า ในบายบอกท่านพระครูพร้อมด่าผีไปด้วยได้ยินเสียงสามีพูดกับพระครูคนถูกผีเข้าลืมตาขึ้นดูนิดนึงเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านพระครูจ้องดูนางพอดีเสียงด่าหยุดชะงักลงประเดี๋ยวหนึ่งแล้วคนถูกผีเข้าก็หลับหูหลับตาด่าต่อไปหากคราวนี้เสียงเบากว่าเดิมมากผีมันคงเกรงใจพระ นายสมชายคิดเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงให้สงสัยยิ่งนักว่าผีที่มาเข้านางเช้านั้นเป็นผีจริงหรือว่าผีปลอมกันแน่ท่านต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจึงได้รู้ว่าเป็นผีปลอมเห็นหนอรายงานว่าวัานไหนเล่นไพ่เสียวันนั้นจะต้องถูกผีเข้าและก็จะด่าลูกด่าผัวกระทั่งหลับไปเอง แต่ถ้าวันไหนเล่นได้วันนั้นผีไม่เข้าวันนี้เสียมากกว่าทุกวันผีก็เลยเข้าตั้งแต่หัวขั้มแล้วก็ยังไม่ยอมออกจนในบ่ายผู้สามีต้องไปนิมนต์ท่านมาไล่ผีช่วยหน่อยเถอะครับหลวงพ่อดูท่าทางมันจะดายันรุ่งเลยผมกับลูกเต้าคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันในบ่ายพูดท่าทางน่าสงสาร ช่วยแน่โยมอาตมาช่วยแน่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวจะไล่ให้ออกแทบไม่ทันเชียคอยดูฝีมืออาตมาก็แล้วกันท่านพูดข่มขวัญผีปลอมต้องทำน้ำมนต์หรือเปล่าครับผมจะได้ให้ลูกไปหาขันน้ำกับเทียนในบ่ายถามไม่ต้องไม่ต้องผีรายนี้มันไม่กลัวน้ำมนต์แล้วจะใช้อะไรไล่ล่ะครับ ท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าใช้ยาเดี๋ยวอาตมาจะปรุงยาให้ผีกินรับรองว่ากินปุ๊บออกปั๊บเลยต้องใช้ยาอะไรบ้างครับพริกขี้หนูกับเกลือมีหรือเปล่าแห้งหรือสดล่ะครับหลวงพอ่อเอาสดสดดีกว่ามีไหมพริกขี้หนูนะ่ะมีครับที่ต้นมีเยอะ เดี๋ยวผมจะเอาไฟฉายลงไปเก็บมาให้ในเย็นบุตรชายคนโตของนางเช้าตอบดีๆเอาแก่ๆนะยิ่งได้สีแดงยิ่งดีผีมันจะได้กลัวเอามากรรมือนหนึ่งแล้วตำกับเกลือมาให้หลวงพ่อครับชายหนุ่มรับคำแล้วก็เดินไปหยิบไฟฉายในห้องเขาจัดการตามที่ท่านสั่ง ด้วยการลงไปเก็บพริกมากำมือแล้วก็นาไปคลกกับเกลือในครัวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยนําให้ท่านพระครูขอช้อนด้วยคราวนี้ลูกสาวคนรองเป็นคนไปหยิบมาให้ได้อุปกรณ์ครบทั้นแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงสั่งว่าเอาละช่วยการจับผีไว้และป้อนยาเข้าไปทางปาก กลอกลงไปให้หมดให้หมดถ้วยเลยในบ่ายและลูกๆทำตามที่ท่านสั่งแต่กว่าจะอ้าปากผีให้อ้าได้ก็ต้องออกแรงกันพอสมควรเพราะผีดิ้นลนขัดขืนไม่ยอมให้กรอกยาเมื่อยาเข้าปากผีปลอมก็พ่นออกมาเพราะความแสบร้อนในบ่ายและลูกๆต่างพากันหลบเป็นพละวัน โอ้ยเผ็ดเผ็ดจบหายเลยเสียงผีปลอมอดครวนขอน้ำหน่อยน้ำหลวงพ่อไม่น่าทำฉชนเลยนางเช้าตัดพอฉันหนัใครผีหรือคนท่านพระครูย้อนถามคนจัก อีเช้าไงล่ะหลวงพ่อไม่น่าทำกับอีเช้าอย่างนี้เลยนางลืมตาลุกขึ้นนั่งสั่งลูกชายคนโตว่าไอเย็นขอน้ำให้ข้าน่อยเพดจะตายอยู่แล้วนายเย็นกำลังจะลุกออกไปหาน้ำแต่ท่านพระครูห้ามไว้ท่านบอกเขาว่าอย่าเพิ่งถ้าได้น้ำตอนนี้ผีจะไม่ยอมออก เดี๋ยวต้องให้หลวงพ่อเจรจากับผีก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านต้องการจะดัดสันดานผีนางเช้าเห็นดังนั้นจึงต่อว่าท่านพระครูเป็นการใหญ่ฉันไปทำอะไรให้หลวงพ่อหรือหลวงพ่อถึงทำกับฉันแบบนี้อาตมาไม่ได้ทำโยมอัตมาทำผีต่างหากก็ผีมันเข้าโยมอัตมากอดช่วยไล่มันออกไปเห็นไหม พอมันกินยามันรีบออกเลยที่หน้าที่หลังถ้ามันมาเข้าอีกก็เอาอยานี้กรอกปากมานะหนูนะท่านหันไปบอกลูกๆของนางเช้าว่า พ, พอแล้วจ้ะพอแล้วมันไม่เข้าอีกแล้วฉันรับรองนางเช้าบอกเสียงลั่นแน่นะท่านพระครูยำ้ำแน่จ้ะคนถูกผีปลอมเข้ารับคำหนักแน่น นางนึกในใจว่าต่อตอนนี้ไปถึงจะเสียไพ่ามากแค่ไหนก็จะไม่ยอมทำเป็นผีเข้าอย่างเด็ดขาดเข็ดแล้วเข็ดเป็นตอนแมวเชละขอน้ำฉันกินหน่อยเถอจ้หลวงพ่อนางอ้อนวอนเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้ในายเย็นไปเอาน้ำมาให้มารดาดื่มเพื่อนบ้านสองคนนั่งดูท่านพระครูไล่ผี เมื่อเห็นว่าผีออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกล่าวลาหลวงพ่อครับผมเห็นจะต้องกราบลาดึกมากแล้วชจ้ง่วงหนึ่งในสองพูดขึ้นคนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งและพากันลุกออกมาขอบใจมากนะที่ไปเป็นเพื่อนในบ่ายขอบใจเพื่อนบ้านแล้วเหมือนจะนึกอะไรได้จึงบอกบุรุษทั้งสองว่า แล้วใครจะไปเป็นเพื่อนข้าส่งหลวงพ่อกลับวัดละ่ะไม่ต้องไปส่งอาตมากลับเองได้โยมสองคนไปเธออาตมาจะอยู่อีกสักพักแล้วค่อยกลับเมื่อท่านพูดเช่นนี้เพื่อนบ้านสองคนจึงลงเรือนไปอคันตุ ก, กะไปแล้วจะอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับลูกๆของนางเช้าว่าเอาล่ะ พวกหนูหนูพากันไปนอนได้แล้วหลวงพ่อจะดูแลแม่เขาให้ปลอดภัยผีออกไปแล้วลูกชายหญิงทั้งห้าคนจึงลุกออกมาและต่างแยกย้ายกันไปนอนท่านพระครูพูดกับนางเช้าว่าเอาละ่ะที่นี้อาตมาจะเทศโยมละเห็นไหมนี่ยังไววหน้ายโยมนะถึงได้รอให้เพื่อนบ้าน และลูกลูกของโยมลุกออกไปเสียก่อนแต่โยมบายต้องอยู่ฟังจะได้ช่วยอบรมสั่งสอนและฝึกนิสัยให้โยมเสียใหม่คนถูกผีปลอมเข้านั่งฟังทำตาเปลิบปลิบสูดลมเข้าปากซีดเพราะยังเผ็ดไม่หายนี่โยมบายรู้ไหมว่าผีอะไรมันเข้าโยมเช้า ท่านถามสามีคนที่ถูกผีเข้าผีอะไรครับหลวงพ่อผีการพนันโยมเช้าถูกผีการพนันเข้าสิงหนีไปเล่นไพ่ทุกวันวันไหนเล่นได้ผีไม่อารวาดวันนี้เล่นเสียไปแยะเลยอารวาดนานกว่าทุกวันโยมรู้ไว้ด้วยเสียไพ่นี่เอง ในบ่ายโมโหกโกรธามองหน้าคนเป็นเมียอย่างจะกินเลือด ก, กินเนื้อหลวงพ่อเรื่องอะไรมายุให้ผัวเมียทะเลาะ ก, กันเป็นพระทำไมทำอย่างนี้นางเช้าต่อว่าพรางสูตรปากซิดๆอัตมาไม่ได้ยุโยมอย่าเข้าใจผิดนี่อัตมาช่วยโยมนะช่วยไม่ให้โยมต้องตกนรกไงละ่ะ ท่านพระครูชี้แจงโทษหลวงพ่อนรกยังอยู่อีกไกลและจะมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แน่แต่ที่ใกล้ตัวนี่สิฉันยังวิตกรับรองพอหลวงพ่อลงเรือนไปไอบ่ายมันเตะฉันแน่นางคาดการไม่เห็นสายตาท่าทางของสามีหลวงพ่อครับผมบอกตามตรงว่า ผมเกลียดขี้หน้ามาเลอะเกินอีเนี่ยมันหาความดีไม่ได้เลยคนเป็นสามีพูดอย่างแค้นใจไม่ดีแล้วมึงเอากูมาเป็นเมียทำไมแถมยังมีลูกหัวปีท้ายปีนี่ถ้ากูไม่ทำมันบ้านนี้มีเป็นโหลแล้วรึนางเช้าคุยอวดเสน่ห์ของตัวเอาละเอาละอย่ามาทะเลาะเบาะแวงกันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้า บาปกรรมรู้หรือเปล่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงปรามเดี๋ยวทํามึงหลวงพ่อโรงเรือนเมื่อไหร่มึงถูกกูเตะแน่คอยดูก็แล้วกันในบ่ายผูกอาคาตขอทีขอทีอาตมาขอบิณฑบาตเธอการทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่สิ่งดีคนเราไม่ใช่เดรัจฉานพูดจากันได้ เดรัจฉานมันพูดไม่ได้จึงต้องใช้กำลังเข้าประทะกันโยมอยากเป็นอย่างนั้นหรือไม่อยากครับคนตอบก้มหน้าดูพื้นมันซ้อมฉันประจำเลยแหละหลวงพ่อสงสัยจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเกิดนางเช้าถือโอกาสฟ้องและดาสามีไปด้วยก็โยมมันร้ายกาดนักหนี่ปากค อ, อยังกระตักไกลลงพยาบาล นี่อาตมาไม่ได้เข้าข้างโยมบ่ายนะท่านพระครูพูดอย่างเหลืออดทึงว่าสิครับหลวงพ่อผมถึงได้เบื่อมันนักอยากจะทิ้งไปหาเมียใหม่ก็สงสารลูกๆเอาละเอาละเลิกพูดเลิกทะเลาะ ก, กันสิททีต่อไปนี้ทำตัวเสีใหม่นะโยมเช้าส่วนโยมบ่ายก็ห้ามทำร้ายกันแบบนั้น ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเดี๋ยวอาตมาจะช่วยอบรมให้แล้วท่านจึงพูดกับนางเช้าว่าโยมต้องปรับปรุงตัวเสียใหม่นะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆอีกหน่อยก็จะเป็นแม่ย่าแม่ยายคนแล้วอย่าให้ลูกหลานมาถอนหงอกเอาได้ประการแรกโยมต้องเลิกเล่นไพ่อย่างเด็ดขาด อาตมารู้อ่อนทำยากเพราะคนที่ถูกผีการพนันเข่าสิงนัน้นมันมักจะเลิกไม่ได้นั่นสิชาหลวงพ่อบอกตามตรงว่าฉันคงอกแตกตายแน่แนหากไม่ได้เล่นบางวันฉันก็คิดจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ขาไพ่เข้ามาตามทีนี้ถ้าเข้ามาตามก็บอกให้ไปหาอาตมาที่วัดนะ ไปตั้งวงกันที่วัดโนนบอกเขาอย่างนี้นะและโยมก็ควรจะไปอยู่วัดสักระยะหนึ่งไปอบรมจิตใจให้กิเลสตนามันเบาบางลงเสบ้างทิศบายเขาจะยอมให้ฉันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คราวนี้นางเปลี่ยนจากไอ้มาเป็นทิศโอ้ยเชิญเลยเชิญไปวันนี้พรุ่งนี้เลย ถ้าไปแล้วจะทำให้แกดีขึ้นจะไปอยู่นานๆก็ได้ข้าไม่ว่ารอกช่วยดัดสันดานให้มันหน่อยนะครับหลวงพ่อคนเป็นสามีถือโอกาสฝากฝังตกลงงั้นพรุ่งนี้โยมเตรียมข้าวของไปอยู่ที่วัดแล้วก็หันไปพูดกับในบายว่าแน่ใจนะว่าจะไม่ไปตามกลับมาประเดี๋ยวไม่ทันถึงสามวัน ก็จะไปบอกแม่อีโนกลับบ้านเธอลูกๆมันคิดถึงที่แท้ตัวเองนั่นแหละคิดถึงแต่เอาลูกบังหน้าอาตมาเห็นมาหลายรายแล้วคงไม่หรอกครับหลวงพ่อผมกับลูกๆคงสบายขึ้นเพราะอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องถูกมันด่าตอนผีการพนันเข้าต่อไปนี้ผีไม่เข้าแล้วข้ารับรองได้ นางเจ้ารีบบอกสามีด้วยยังแสบปากแสบคอไม่หายดีแล้วโยมต้องเลิกให้ได้นะเพราะการพนันบันเป็นอบายมุกอบายมุกคืออะไรเจ้าหลวงพ่อคือเหตุแห่งความเสื่อมหรือเหตุแห่งความฉิบหายมีหกประการ คือเสพสุราของเมินเมาหนึ่งเที่ยวกลางคืนหนึ่งเที่ยวดูการละเล่นหนึ่งเล่นการพนันหนึ่งคบคนชั่วเป็นมิตรหนึ่งและเกียรคร้านการงานหนึ่งทั้งหกประการนี้หากใครประพฤติป ฏ, ปฏิบัติบุคคลนั้นจะไม่ประสบกับความเจริญรุ่งเรืองในกรณีของโยมก็เช่นเดียวกันขืนไม่เลิกเล่นไพ่ รับรองวันนึงต้องหมดเนื้อหมดตัวคนโบราณเขาสอนไว้ว่าโจรปล้นสิบครั้งก็ยังไม่เท่าไฟไหมเพราะบ้านและที่ดินยังเหลือไฟไหมสิบครั้งก็ยังดีกว่าเล่นการพนันเพราะบ้านไหมแต่ที่ดินยังอยู่แต่การพนันนั้นหมดทั้งบ้านทั้งที่โยมเคยเห็นไหมที่เศรษฐีต้องกลายเป็นยาจก รา ถ, ถูกผีการพนันเข่าสิงโยมอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ฉันไม่ใช่เศรษฐีนี่นานางเช้าเถียงไปข้างๆคู่ฟังมันเถอะหลวงพ่อและอย่างนี้จะไม่ให้ผมเตะมันได้ยังไงในบายพูดอย่างมันไสเมียเต็มแกจริงๆนะโยมเช้าโยมนี่กวนโทสะเขาจริงๆนั่นแหละ อาตมาเองก็ชักเบื่อที่จะพูดกับโยมแล้วก็นในเมื่อเศรษฐียังหมดเนื้อหมดตัวแล้วคนไม่ใช่เศรษฐีจะไม่แย่ยิ่งกว่าหรือยังจะมีหน้ามาเถียงอีกเ อ, เอกัลเถจฉันยอมแพ้ตกลงฉันจะเลิกเล่นไพ่อย่างเด็ดขาดแต่เรื่องไปอยู่วัดขอคิดดูก่อนอ๋อและที่หลวงพ่อมาบอกจะช่วยฉันไม่ให้ตกนรกนะ่ะ หลวงพ่อช่วยได้จริงๆหรือแลนรกที่ว่ามันมีอยู่จริงๆใช่ไหมนางเช้าถามอย่างสนใจอัตมาช่วยได้ก็แค่บอกทางให้ว่าทางนี้ไปนรกทางนี้ไปสวรรค์เมื่อรู้แล้วโยมจะยังเลือกไปนรกอัตมาก็ช่วยอะไรโยมไม่ได้โยมต้องช่วยตัวเองทํากรรมแทนกันไม่ได้ และนรกมันมีจริงๆอย่างที่เขาเชื่อกันหรือจ้างนางถามอีกถามอย่างนี้แปลว่าโยมไม่เชื่อใช่ไหมก็เชื่อเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมั่นใจนักถ้าโยมอยากมั่นใจก็ต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อบรรลุญาณที่สิบสาเมื่อไรเมื่อนั้นโยมก็จะไม่สงสัยเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไป ถ้าอยากรู้ก็ต้องลงมือพิสูจน์ด้วยตนเองยานสิบสามคืออะไรจ๊ะคือโคตรับภูยานใครปฏิบัติได้ถึงยานนี้ก็จะเลิกสงสัยเรื่องการมีอยู่ของนรกสวรรค์ถ้าบรรลุถึงยานสิบกก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกพระโสดาบันเอาเถอะพูดไปยมก็ไม่เข้าใจหรอก ของอย่างนี้ไม่อาจจะเข้าใจด้วยคำพูดต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจถ้าโยมอยากพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ถึงยานสิบสามไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอหลวงพ่อคือรู้โดยวิธีอื่นนะจากมีวิธีที่ว่านี้ก็คือให้ลองตายดูถ้าอยากรู้ลองตายเดี๋ยวนี้เลยได้ รับรองได้เห็นนรกแน่โอ้ยไม่เอาหลอกหลวงพ่อฉันไม่กล้าลองกลัวมันตายจริงจริงนางรีบปฏิเสธในเมื่อไม่กล้าลองแล้วจะรู้ได้อย่างไงอยากรู้มันก็ต้องลองจริงไม่โยมท่านถามในบ่ายจริงครับแต่สาหรับผมผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยครับหลวงพ่อเชื่อโดยไม่ต้องลอง ถ้ไม่ยมถึงเชื่อล่ะเพราะผมเชื่อพระพุทธเจ้านะครับที่เชื่อเพราะมั่นใจว่าท่านไม่ได้หลอกลวงท่านจะมาหลอกลวงเราเพื่อประโยชน์อะไรจริงไหมครับหลวงพ่อแหมพูดเข้าทีนี่แหละเขาถึงเรียกว่าคนฉลาดหรือโยมเช้าว่ายังไงงั้นก็แปลว่าฉันโง่ใช่ไหมหลวงพ่อว่าฉันโง่ใช่ไหม ถามอย่างไม่พอใจอั น, นิยมคิดเอาเองเอาละจะตีสองแล้วอาตมาเห็นจะต้องกลับเสียทีท่านรู้โดยไม่ต้องดูนาฬิกาในสมชายนั่งส ป, ปงกอยู่ใกล้ๆได้ยินว่าท่านจะกลับก็ตาสว่างอย่าลืมนายโยมเช้าเลิกเล่นไพ่แล้วโยมบ่ายก็เลิกทุบตีเมีย ท่านกำชับสองผัวเมียแต่ถ้ามันยังคืดเล่นอีกล่ะครับหลวงพ่อจะให้ถมทํำยังไงปรุงยาให้กินสิพริกกินุโคล ก, กับเกลือจะยากอะไรท่านพระครูบอกเคล็ดลับในการปราบผีการพนันนางเช้ารีบยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นว่าเลิกจ้าหลวงพ่อจะเลิกเด็ดขาดทิศบายอย่าให้ชั้นกินยานั่นอีกเลย ฉันเข็ดแล้วจกะขากรับจะอาวาสวัดป่ามะม่วงใช้เวลาเพียง20สบนาทีก็ถึงวัดประนั้นก็เป็นเวลาตีสองพอดีนายสมชายง่วงซะจนไม่อยากวิเคราะห์หาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาจัดการปิดประตูกุฏิแล้วล้างมือล้างเท้าขึ้นนอนพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย